แต่ละวันแต่ละวันมันผ่านไปอย่างช้าช้านะเห็นชั่วโมงความมันจะขยับนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าพอเปิดแป๊บเดียวเนะี่ยมันก็ผ่านไปแล้วนะสองเดือนกว่ารืยเวลาไม่ถึงสามไม่ถึงเดือน เพลแป๊บเดียวก็ออบอันซาแล้วเวลาสองเดือนที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะมันมีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรอย่างเช่น ผ่านมาสองเดือนก็มีคนตายไปแล้วสองคนใน ต, ตอนต้นบรรษาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้คนก็หายไปแล้วสองคนจากโลกนี้เป็นอย่างน้อยนะนี่ว่าเฉพาะบ้านตาลิมทอง สองคนที่หายไปนะหรือที่ตายไปก็เราจะไม่เคยรู้สึกเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นคนไกลแต่สำหรับลูกหลานญาติพี่น้องเป็นเรื่องใหญ่มากคนต้องคนหายไปจากชีวิตนะ แต่ต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นคนไกลสำหรับเรานะที่ล้มหายตายจากไปต่อไปคนใกล้ตัวก็จะตายไปจากเราเส้นเดียวกันแล้วก็ไม่ใช้ไม่นานก็ถึงข่าวของเรา มันอาจจะเป็นเวลายี่สิบปีสาสิปีสี่สิบปีข้างหน้าก็ได้แต่ว่าถ้าเราเผลอแป๊บเดียวนะมันก็มาถึงอย่างรวดเร็วอย่างผมมาอยู่นี่นี่ก็ยี่สิบกว่าปีเข้าไปแล้วนะ เร็วมากที่พูหลงยี่สิบหกปีแล้วหรือถ้าบวนนี่ก็สามสิกว่าปีแล้วถ้านึกถึงตอนเรียนอยู่นะมันก็สี่สิบปีเข้าไปแล้วนี่ไม่กี่วันก็สี่สิบปีหกตุลา จำได้ว่าเพิ่งจัดงานยี่สิบปีหกตุลาไม่นานมินี่เองนะปีหกปีสามเก้าแป๊บเดียวอา้าวสีสปีหกตุลาแล้วนี่ถ้นนคนเราถ้าหากว่าเราไม่ได้รีกทำอะไรไว้ ในสิ่งที่ควรทาบางทีกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้บางคนธรรมชาติก็ให้เวลาหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีหรือเก้าสิบปีด้วยซ้ำ ก็ทำอะไรต่ออะไรมากมายแต่พอใกล้ตายก็รู้ว่าก็เพิ่งจะคิดได้ว่าไอ้สิ่งที่สำคัญยังไม่ได้ทำเลยเกิดความเสียใจขึ้นมาอย่างมีพระเจ้าแผ่นดินชาว อินเดียคนหนึ่งนะเรียกว่ายิ่งใหญ่แต่จะว่าไปก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ในทางดีเท่าไหร่นะเป็นคนที่มีอำนาจมีประสบความสำเร็จนะในการขยายดินแดนแ ผ, แผ่อำนาจไปอย่างกว้างขวาง ด้วยการใช้สงครามชื่อพระเจ้าอารังเซปนะอารังเซปนี่เป็นคนเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วย่ดอำนาจจากพ่อนะพ่อนี่คือชาชหาหัน ส่วนใหญ่ไม่รู้จักหลวชาชาาัยฮานแต่ถ้ถถาพูดว่าถ้าถามว่ารู้จักทัชมาฮาลไหมก็รู้จักชาชัยฮานนี่สร้างทัชมาฮาลขึ้นมาอย่างสวยงามคนที่สร้างทัชมาฮาลได้นี่ก็ต้องมีทั้งความร่ํารวยและบรารมีแต่ก็ยังแพ้ลูกชายนะลูกชายก็ยึดอํานาจจากพ่อจับขังเข้าจับขังคุกฆ่าพี่ พาน้องแล้วก็ขยายอนาจกว้างขวางอินเดียสมัยอาองเซปนี้เรียกว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วก็ร่ารวยด้วยร่ำรวยที่สุดในโลกร่ำรวยยิ่งกว่าอังกฤษหรือประเทศใดในยุโรปนะ อายุยืนด้วยนะทำการทำสุกสงครามมาตลอดสะสมก้นชิงเงินทองเพชรนินจินดามากมายก็เป็นคนโชคดีนะขณะที่ทำสึกสงครามมาตลอดนี้อายุถึงเกือบเก้าสิบหรือเก้าสิบปี เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแท้ทุกเรื่องอายุวันนาสุขาพละปฏิพานชนสารสมบัติได้มาเทียบแต่พอยาตายก็ก็พูดกับลูกชายว่าฉันมาโลกนี้อย่างคนแปลกหน้าแล้วก็จะไป โลกนี้จากคนเหมือนคนแปลกหน้าฉันเป็นใครเกิดมาทำไมไม่รู้คือมันก็ว่าพูดแบบตัดพ้อว่าแบบพูดด้วยความเสียใจว่าไม่ได้มีความพอใจในชีวิตเลยนะฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครและกำลังทำอะไรอยู่ ันที่พูกอย่างนี้แสดงว่ามันไม่มีความสุขเท่าไหร่มีทุกอย่างในชีวิตแล้วธรรมชาติก็อำนวยให้ได้มีโชคแต่ก็มาได้คิดในตอนใกล้ต า, ตายว่าไอ้ที่มีอยู่ทั้งหมดนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยมันก็มีคนแบบนี้นะก็คือ อยู่มาเกือบร้อยปีสุดท้ายก็มาได้คิดว่าชีวิตที่ผ่านมามันว่างเปล่า เ, าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นข้อเตือนใจว่าอย่าไปอย่ า, อ ย, าอย่าเปลืองกับชิตมากต้อง เตือนใจตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ไข้ควนชีวิตอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นการระลึกถึงความตายมันก็ช่วยเตือนใจว่าต้องเร่งทําชีวิตให้มีคุณค่าอย่าปล่อยเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์หรือว่าปล่อยชีพเมือนกับ สวะลอยน้ำไปตามการเวลาบางทีคิดว่าเออทำไปปล่อยเวลาไปเรื่อยๆก็จะไม่รู้ตัวที่จะตายลเลยนล่แต่บางทีคนบางคนก็ไม่ได้มีโชคอายุยืนอย่างอาลังเซฟนะาก้าสิบปีบางคนก็อายุแค่ไม่เท่าไหร่เองสามสิบปีสี่สิบปี อย่างยุบน้อยแม่น้อยทีตายเลยก็แค่สี่จุดห้าบางคนตอนนี้ก็อายุเกือบแล้วเกือบถึงสนะี่จุดห้าแล้วจะไปคิดว่าจะมีอายุยืนกว่าเขาเนอะอาจจะอายุสั้นกว่าเขาก็ได้ยังใช้ชีวิตด้วยความด้วยความไม่ปมหมาใช้ชีวิตด้วยความใส่ใ จ, ใจ ปล่อยชีวิตไปตามกระแสะหรือปล่อยชีวิตไปตามอัตโนมัติบางคนก็มีจุดมุ่งหมายนะไม่ได้พยายามหาหรือตั้งเป้าหมายในชีวิตที่มันดีงามแต่บายครั้งก็ปล่อยชีวิตไปตามกระแสะเหมือนกันไปตามกระแสะนี่รวมถึงว่าการปล่อยชีวิตดูอย่าง ดูอย่างคือทาตามเคยชินอะนะใช่ชีวิตทาตามความเคยชินให้ความเคยชินนี่มันข้อดีมันก็มีนะแต่ข้อเสียก็เยอะเหมือนกันพอทําไปตามความเคยชินแล้วมันก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันก็ไม่มีความใส่ใจในสิ่งที่ทำมันก็เป็นความประมาทอย่างหนึ่ง เนี่ยเราก็ไปช่ตามความเคยชินบ่อยมากเช่นสวดมนต์ทำวันเนี่ยสวดทุกวันทุกวันทุกวันทํนทาไปทําไปมันก็สวดไปตามความเคยชินสวดครึ่งชั่วโมงบางทีไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าสวดไปตามความเคยชิน ปา ก, ก็ว่าไปใจไม่รู้อยู่ไหนหมอสิ่งงนิ้วก็มันก็ทิ้งเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะบอกกล่าวไม่ได้ไเลยเลยแล้วมันก็มีอีกหลายอย่างที่เราปล่อยที่ไปตามความเคยชินเหมือนกันคือพอทำอะไรซ้ําๆแล้วก็ใจมันก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว กินข้าวก็เหมือนกันอาบน้ำก็เหมือนกันขับรถก็เหมือนกันตั้งนั้นที่ก็รู้นะว่าชีวิตเรามันก็มีเวลาไม่นานแต่จะตายก็เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราก็ปล่อยเวลาใป้่าประโยชน์ไม่ใช่ปล่อยไปกับความ การเที่ยวเตะสนุกสนานนะบางทีก็ไม่ได้เถอ่เตะแล้วก็อยู่วัดนี่แหละแต่ว่าไอเวลาในแต่ละวันเนี่ยมันหมดไปกับความไม่รู้ตัวใจลอยเพราะว่ามันเคยชินกับสิ่งที่ทําบางทีบินธบาไปสองชั่วโมงมันบินบินธบา ท, ทุกวันทุกวันทุกวัน เคยชินไงใจมันก็ลอยรู้ตัวขณะบินธบาะก็อาจจะประเดี๋ยวเดียวหรือไม่นานส่วนคนที่ไม่บินธบาะทําครัวทําอาหารทําทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกเช้าทุกเช้าก็ทําอยากอัตโนมัติเป็นความเคยชินก็เลยใจลอยก็ดีมันกันมีประโยชน์นะทำอาหาร ให้ตัวเองด้วยให้หมู่คณะด้วยแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นสาระสำคัญก่อนนั้นก็คือการที่มีความรู้สึกตัวที่ทำให้จิตจเจริญงอกงามมากขึ้นมันไม่มีโอกาสหรือว่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ในส่วนนั้นทําไมทถ้าไม่ได้สุดใจไว้เลยนะ ถึงเวลาต้องตายจากโลกนี้ไปมันก็ไม่มีอะไรจะไปรับมือกับความตายได้เพราะไม่ได้ฝึกใจไว้เลยก็มีแต่วความทุรนทุ ร, รายเจ็บปวดตื่นตหนกตกใจแล้วก็มาเสียดายว่าไอ้ตอนที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยมีสุขภาพดีไม่ได้ฝึกใจไว้เลย มาวัดก็จริงนะแต่ว่าพอมาแล้วมันก็ปล่อยชีไปตามกระแสไปตามความเคยชินสวดมนก็ใจลอยบินธบาก็ใจลอยทำครัวกวาดกวาดสาราล้างจานก็ใจลอย คิดมันก็ผ่านไปวันแล้ววันเล่าแต่ว่าใจไม่ได้พัฒนานนถึงเวลาตายก็ไม่รู้จะเอาวิชาความรู้ที่มีไปไปรับมือกับความตายได้ยังไงก็ทุกข์ทรมานจริงๆไม่ต้องมันไม่ใช่แค่ทุกข์ทรมารย์ตอนจะตายไนอะตอนที่มีชีวิต อ, อยู่ก็ถ้าปล่อยใจลอยปล่อยชีวิตไปตามอัตโนมัติมันก็ทุกข์เหมือนกันนะ การปล่อยชีพไปปล่อยใจไปตามกระแสเนี่ยสุดท้ายมันก็คือการปล่อยใจให้อยู่ในอำนาจของสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องเดียวกันนะหมาเนี่ยเวลาตีละครั้เนี่ยมันก็ร้องเป็นอนะัตโนมัติ ตีปุ๊บมันร้องปั๊บเลยตีถีมันก็ร้องถี่ตีหามมันก็ร้องหา่างอันนี้บางทีเราก็หัวเราะมันนะดูเอ็นดูบ้างน่ารักบ้างหรือว่าบางทีเขาเมื่อมันโง่นะมันคุมตัวองไม่ได้เลยมันต้องมันเหมือนกับ อยู่ภายใต้การบงการของเสียงระขังแต่บางครั้งเราก็เป็นอย่างนั้นนะพอได้ยินเสียงถ้ามีเสียงด่าเข้าหูเราเราก็โต้ทันทีเลยเราก็ด่ากลับมึงด่า ก, กูกูก็ด่ามึงทันทีเลยมันก็ไม่ต่างจากหมานะพอเจอเสียงระขังก็หอนทันทีเหาทันที เพียงแต่ว่าแทนที่เราจะเห่าเราก็ด่ากับเมื่อได้ยินเสียงด่าเสียงวิจารบางทีเขาไม่ได้ไม่ได้ ด, าดา่าเราหรอกเขาแค่วิจารเนี้ยก็โตกั บ, บันทีเป็นอัตโนมัติบางทีพอยุงพอเห็นยุงกวนยุ่งมาเกาะก็ปัดทันทีเป็นอัตโนมัติ หรืยิงหรือพอรู้สึกเจ็บนะยุงกัดพอบทีที่รู้สึกเจ็บก็ตอบทันทีนี่ก็อัตโนมัติอันนี้ก็เป็นความเคยชินอย่างหนึ่งนะการทำอะไรตามความเคยชินเนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นท่าเสิ่ง่ล้อมได้ง่ายเจอเสียงมอเตอร์ไซค์ดังก็โมโหทันที หลุดปากออกไปว่าทันทีหรือถ้าไม่ว่าเป็นเสียงก็ว่าในใจช้วิตเรานี่ก็ใช้ชื่อแบบอัตโนมัติเยอะนะบางอย่างก็ดีเหมือนกันนะขับรถเนี่ยขับรถแบบอัตโนมัติมันก็ทำของมันเองถือแม่กำลังใจลอยมีคนข้ามถนนก็รีบเบรกทันทีอัตโนมัติ แต่ว่าการใช้ชีวิตแบบโตโนมัตหลายอย่างมันมันทำให้เราตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมได้ง่ายเจอแดดร้อนปุ๊บก็ไม่พอใจปั๊บเลยมีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางที่ทางกายมันมันมีมันดีแอคออกไปมันมีปฏิกิริยาออกไปทันที เจอใครพูดไม่ถูกขูปุ๊บว่าปั๊บเลยอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความเคยชินเป็นเพราะปล่อยชีวิตให้ไปตามความเคยชินหรือปล่อยชีวิตไปตามกระแสะมันก็เลยกลายเป็นชีวิตที่ตกอยู่ภายใต้การบงการของสิ่งแวดลอ้อม เม่อทำด้วยความรู้สึตัวเวลาเมื่อเวลาปวดก็ลุกขึ้นมาทันทีเป็นอัตโนมัตินะฝุนพลันขึ้นมาเวลาใครชมก็ดีใจทัทนทะีอันนี้ก็ดูมันดีนะแต่มันก็กลายเป็นการใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติ ก็เป็นการถูกบงการด้วยสิ่งแวดล้อมอีกแบบอีกแบบหนึง่งเพราะทำด้วยความไม่รู้ตัวแง่ยพยายามที่จะฝึกใจฝึกตนนะว่าอย่าปล่อยชีวิตจิตใจไปตามความเคยชินอย่าทำอะไรโดยอัตโน ม, มัติไม่งั้นเราก็คงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าไอ้ไอ้หนวดหรือว่าไอ้ดิ๊กนะ มันปล่อยชื่อไปตามทำตาตโนมัมัดเยอะมากมันห้ามใจไม่ได้มันคุมใจไม่ได้แต่คนเราคุมได้นะใครพูดไ่ถูกหูอา้าวแทนที่จะหลุดปากว่าไปแล้วก็หรือแทนที่จะนึกด่าในใจแล้วก็ตั้งสติทำใจเป็นปกติไม่รีแอคนะไปตาม สิ่งแวดล้อมที่มากระทบในการรีแอคทันทีเนี่ยมันก็คือการเป็นท่าของสิ่งแวดล้อมเสร็จ แ, แล้วก็ไปโทษสิ่งแวดล้อมว่าทำให้เราทุกข์ที่จริงเป็นเพราะไม่ได้ฝึกใจตังหานะถ้าเรามันฝึกใจให้มีสตินะเจออะไรมากระทบเราก็ไม่ มีปเปรียกไปทันทีลรวตั้งสติได้รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักทำใจเป็นปกติใครก็จะพูดไ่ถูกใครก็จะด่าอย่างน้วใจก็นิ่งเจอแดดร้อนเจอยุงกัดไม่ใช่ว่าเจอพุกกระบนเลยโวยวายถ้าไม่ไม่พูดออกมาก็บนในใจ ลองใจดูเนี่ยในการบน่นวอยวายตีโพยตีพันก็เป็นการเป็นการรีแอคอีกแบบหนึ่งซึ่งมักจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้มานานสะสมมา น, นานจนกรนั่งมันเป็นเองออกมาเองงั้นถ้าเรา ไปจิตแจเราให้มันเป็นอัตโนมัติด่านนี้ทำอะไรดัดอัตโนมัติเนี่ยมันก็ทุกข์ง่ายนะเพราะว่ากลายเป็นคนที่ตกยอมตนตกอยู่เป็นเป็นท่าของสิ่งวล้อมอยู่ภายใต้การบงการของรูกก็กินเสียงสัมผัสที่มากระทบ คนเราทำอะไรได้มากกว่า น, นั้นทำอะไรได้ดีกว่า น, นั้นเราสามารถจะเป็นนายตัวเองได้ใครก็จะพูดอะไรใครก็จะทำอะไรเราก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเขาก็คือ <c oughs> เสียใจบ้างดีใจบ้างยินดีบ้างยินลายบ้างในเงี้ยมันก็นไม่ต่างจาก หมาที่พาฟลอฟเขาเคยทดลองนะหมานี่พาฟลองติดเปนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียเลี้ยงไว้นในกรงในจริงล่าไม่ก็ได้ให้อาหารมันทุกวันทุกวันทุกวันวันแรกก็ไม่มีอะไรวันที่สองก็พอให้อาหารเสร็ก็ตีละครั้งด้วยสั่นละครัง ให้ทุกคร้งก็สารละคังถามนี่สักอาทิตย์หนึ่งมันต่อมาแค่สารละคังเนี่ยมันก็น้ํำลายหลแล้วไม่ได้ให้อาหารไปเลยแค่สารละคังก็น้ำลายไหลมันมีปฏิกิริยาทันทีเพราะมันไปนึกถึงอาหารนึกถึงอาหารก็น้าลายไหล กเป็นว่ามันสามารถถูกสั่งได้ด้วยละคังแล้วมันก็ห้ามใจมันเองไม่ได้เล่งเสียงเเสียงะคังปุ๊บมันน้ํำลายไหลเลยอันนี้เป็นการสร้างความเคยชินจนระทั่งกลายเป็นปฏิกิริยาอาจจะต่างจากที่หมาที่นี่หมาที่นี่เร่งเสียละคังปุ๊บมันหอนแต่ภาพล้อมนี่สามารถฝึกให้มันน้ําลายไหลได้เพียงแค่เร่เสียงละคัง เป็นปฏิกิริยาทันทีคนเราก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่ได้ฝึกใจเป็นบ่อยๆบางทีก็ดีใจบางเสียใจบ้างแล้วแต่ว่ามีอะไรมากระทบแล้วแต่ว่าเจออะไร ใครทำแล้วไม่ถูกใจใครทำแล้วไม่ถูกหูเอ่เห็นปุ๊บได้ยินปับ๊บไม่พอใจทันทีพูดออกไปทันทีหรือบางคนอ่าพอได้กินของอร่อยก็โอ๊ยดีใจทันทีพูดเพิ่อเจอออกไปทันทีอันนี้มันก็เป็นความ เป็นความหลงแบบหนึ่งนะเป็นความไม่รู้ตัวซึ่งมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันไม่เป็นสลสรอยู่ในอำนาจของสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาบางคนก็น่าสงสารมากนะพอไปหลงติดอะไรกับบางอย่างเช่นไปติดสิ่งที่มันจับยาเช่นบุหรี่ เล่าหรือว่าหวยเนี่ยโถ้าไม่ได้เสพข้าวเหนียวมันทรมานมากไม่ได้กินมันทรมานมากถึงวันหวยออกแล้วถ้ามันไม่ได้แทงนี่มันทรมานมากง่อยเจอคนที่มาเลิกเหล้าเลิกบุหดีเลิ ก, เลกยาเลิกการพ น, นันที่วัดแล้วนั่งสารมาก มันก็จะลงแดงที่ได้เป็นชีวิตที่มันเป็นธาตุของสิ่งวดลอ้อมแบบหยาบๆแต่ถึงแม้ไม่ติดสิ่งหล่านั้นนะคนเราก็จะไม่ติดอย่างอื่นได้หรือว่าจะจะมีหรือว่าจะปล่อยใจให้สุขหรือทุกไปตามสิ่งวัตโลมท่านทำคำสึกตัวไว้อย่าทําอะไรตามความเคยชิน ให้ตั้งสติมีความสึกตัวเริ่มจากการทำอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องแสนจะธรรมดาสา ม, มัญก็ อ, อย่าปล่อยใจลอยไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำถูฟันล้างหน้าสวดมนมต์ทำวัดบินฑบาตทำอมหารล้างจานให้ทำความสึกตัวไว้พอใช้สึกตัวแล้วเนี่ยมันจะไม่ มันจะไม่ไปมีปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อม ง, ง่ายๆเจออะไรมากระทบเนี่ยตั้งสติได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเจอเสียงดังก็ใจก็ปกติไม่หงุดหงิดแล้วก็ไม่ไม่เผลอไม่ลืมตัววอยไวยออกไปใครมาแนะนำตักเตือนอ่แทนที่จะไม่พอใจ อาจจะมีความไม่พอใจแต่ตั้งสติได้เออเขาพูดดีเขามีประโยชน์สิ่งที่เขาพูดมีประโยชน์นะเราจะกลายเป็นคนที่เป็นอิสระไม่ถูกกำหนดถูกบงการโดยสิ่งแวดล้อมโดยการกระทําของคนอื่นโดย รูปรถกิ่นเสียงสัมผัสที่มากระทบมันก็เกิดความสุขไม่ปล่อยชีวิตไปตามกระแสไม่ทุกข์พอสิ่งแวดล้อมมากดดันให้การฝึอแบบนี้ก็ทำให้เราสามารถจะบง่งจะนำพาชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง มีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่วางเอาไว้ก็ทําได้อย่างที่ต้องการไม่ใช่ว่ารู้ว่าจุดมุ่งหมายชื่อคืออะไรแต่ว่าปล่อยชีวิตไปตามกระแสแต่ละวันแต่ละวั น, วนทําตามความเคยชินฉันพฝึกเอาไว้นะทำความฝึกตัวในแต่ละอย่างในแต่ละสิ่งที่ทําอย่าปล่อยให้มันเป็นอัตโน ม, มัติอย่าทําเป็นตามความเคยชิน โดยเพราะไอ้ความเคยชินที่เป็นตัวโลภะก็ดีโทสะก็ดีบนโวยวายตีโพยตีภายไม่พอใจหงุดหงิดขุนเฉียวโกรธไอ้พวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเดือดตโนมัติเพราะว่าปล่อยใจไปตามเคยความเคยชินซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็แปลว่านะคนเราเนี่ยถ้าเจออะไรมากระทบหรือถ้าเจออะไรไบ่อยๆเนี่ยเราน่าจะมีความชำนิชำนาญในการรับมือกับสิ่งนั้นเราเจอใครสักสิห้าครั้งถ้าเป็นคนที่ถ้าเป็นคนที่ชอบ หลอกลวงพูดจาไม่มีไม่มี ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีสัจจะเราก็ครั้งแรกสองครั้งแลกาอาจจะถูกหลอกแต่ครั้งที่สี่ข้านี้ห้านี่เขาก็หลอกเราไม่ได้แนละ้วบางคนก็เป็นคนชอบขออันที่แรกเราก็ใจอ่อนแต่ตอนหลังที่เจอบ่อยครั้ง อชอบขอชอบยืมเราก็รู้แล้วว่าคนอย่างนี้เป็นยังไงเราก็รู้ว่าจะจัดการเกี่ยวข้องเขายัางไง ร, รู้ว่าจะรับมือเขายัางไง ร, รู้ว่าจะรู้ว่ารู้ทางเขารู้ทันแล้วก็รู้ทางแล้วก็ไม่ถูกหลอกแต่ทำไมเวลาเราเจอ สิ่งที่ไม่ถูกใจมากระทบตนเกิดความโกรธเจอเกิดความหงุดหงิดซ้าแล้วซ้าเล่าเจอความโกรธซ้าแล้วซ้าเล่าแทนที่เราจะฉลาดในการรู้ทางรู้ทันมันเรากับยิ่งก็ยังโกรธอยู่นะความโกรธที่มันเขามามาเล่นงานเรากี่ครั้งกี่ครั้งเราก็ยัง ยังยอมแพ้มันหรือเสียท่ามันเจอไปหมื่นครั้งแล้วก็ยังเสียท่ามันอยู่ทุกครั้งไปและถามเสียท่าได้ง่ายได้เร็วกว่าเดิมเหมือนคนแก่นี่อายุมากเจอความโกรธมาเป็นหมื่นครั้งแล้วก็ยังโกรธ อ, อีกแถมโกรธมากกว่าเดิมด้วยหรือโกรธง่ายกว่าเดิมนี่พ่ออะไรนะเพราะความเคยชินเพราะการปล่อยจิตใจไปตามอัตโน ม, มัติ ทั้งที่น่าจะฉลาดนะเจอสักพันครั้งก็น่าจะฉลาดรู้ทางแล้วก็รู้ทันมันไม่ปล่อยให้มันมามันหลอกหรือว่าไม่เสียท่ามันง่ายๆบางคนนะหลายคนนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้พอสักห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่โกรธง่ายฉุนเฉียวง่ายทั้งทั้งที่น่าจะฉลาดกว่าเดิมเพราะว่าเจอมัน เจอมันบ่อยจนกระทั่งรู้ทางมาันละรู้ทันมันนี่ ถ, ถ้าเรามีความฝึกตัวนะเราจะฉลาดขึ้นกับเมื่อทุกครั้งที่เจออะไรก็ตามเราจะฉลาดขึ้นเราจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรืออารมณ์แต่ถ้าหาว่าไม่รู้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มันรู้ตัวนะหลง เจอใครก็ถูกหลอกอยู่นั่นแหละกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้ไม่ฉลาดขึ้นก็ถูกหลอกมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นมันก็เล่น ง, งาเราทุกครั้งไปเจอเสียงดังกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังชุดเหมือนเดิมโมโหเหมือนเดิมหรือถ้าถ้าเป็นหมาก็เห่าเหมือนเดิมแต่งหมานี่ฝึกได้นะฝึกไปฝึกไปมันก็หยุดเห่าได้แล้วคนหลอนี่ก็ทำได้อย่างนั้นเหมือนกัน ออถ้าเลอกจะทํา้เพ่นพยายามนะอย่าปล่อยชีจิตใจไปตามกระแสหรือว่าอย่าทำอะไรตาม้วยอัตโนมัติให้กครมีความรู้สึกตัวดูสม่ำเสมอตลอดเวลาจะหลงบ้างหลุดบ้างก็ไม่เป็นไรก็ทำไปเรื่อยๆพยายามตั้งใจทำ อยปล่อยให้นิสัยความเคยชินเดิมๆมันครอบงําเราจกนกรทั่งเรากติกกระเดี้ยอะไรไม่ได้เดังนั้นต่อไปจะหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมโกรธง่ายกว่าเดิมหงุดหงิดกว่าเดิมชุนเฉียวกกว่าเดิมแต่แล้พอถึงเวลาจะจะตายก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่ได้ฝึกใจไว้มีความทุรนทุรายชานีพูดกันท่านี่นะครับ